บรรพะก่อนนั้นได้อธิบายทั้งเรื่องความประมาทและความไม่ประมาทความประมาทเป็นนนทางในความตายความไม่ประมาทเป็น น, นทา ง, งความไม่ตายมันตรงมันข้ามอธิบายยืดยาวเท่าว่าถึงเรื่องความประมาท ททั้งหลายถ้าสรุปรวมหมดแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทอย่างเดียวดังพระธดเจ้าทัณสเทศในปชิมโอวาสสอนพุทธวิสั์มาถึงสี่สิบห้าปีในตอนที่จะพระินิพานประมวลสรุปรวมแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายยังยังความไม่ประมาทในถึงพ้อมเถือ นี่คำประชิมโอวาทของพุทธองค์เน็นนั้นความประมาทเป็นของก่วงขววงมากพูดกันไปไม่มีที่สิ้นที่สุดแล้วแต่ผูดด้ใดจะอธิบายได้มากแต่น้อยตามความสามารถของตนณความรู้ความเข้าใจของตนความประมาทพูดแต่อยากถึงละเอียด จนถึงที่สุดอันนี้ที่จะพูดนี่จะพูดความไม่ประมาทเพิ่มเติมอีกเราพูดจะเพาะ อ, อันจะเพาะแต่พอที่เราจะปฏิบัติหรือเราเป็นอยู่แล้ปฏิบัติอยู่ความไม่ประมาทเป็นการดีในหลักที่ท่านว่าไม่ประมาทในพระพุทธ ไม่ประมาทในประธรรมไม่ประมาทในประสง์ไม่ประมาทในใจชิกขาและไม่ประมาทในการปฏิสันฐานไม่ประมาทในการปฏิสันฐานคือการต้อนรับในผลที่สุด เป็นผู้ไม่ประมาทในประมาทธรรมคือไม่ประมาทในความไม่ประมาทนี้นย่ำล้มถึงนั่นอีกคําว่าไม่ประมาทเนี่ยพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเราไม่มีเสร็จแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่ปฏิมา ก, ก่อนคือรูปเทียมของพระองค์เราเห็นพุทธิรูปรูปจะเป็นรูปเขียนก็ดี ในรูปหล่อรูปใดๆก็ตามถือไม่ควรซึ่งจะเอาไปไว้ในที่ต่ำพระพุทธรูปคือพระบรมสาสดารูปของพระบรมสาสดาของเราแล้วควรที่จะสักการะเคารพไว้ในที่สูงทุกวันนี้นั่นแม้แต่ โฆษณาขายสินค้าของพุทธลูกไปทำไปทำการโฆษณาขายสินค้าเป็นของนาเจียดมากไม่สมกับฐานะที่เราถือพุทธเจ้าถือพระพุทธเจ้าพระพุทธปราประสบไม่สมฐานะเลยถ้าหากเป็นคนถือจริงๆเคารพบูชาจริงๆจังๆแล้ว พอหเห็นขึ้นมันก็เกิดตัถาเรืองใสเกิดความเคารพคารวะที่ไหนได้จะเอาไปเหยียบไปยั่งแล้วไปไหว้ในที่ทั่วไปของดิบของดีมันต้องระมัดระวังของดิบของดีถ้าหากเราถือพระพุทธเจ้าจริงๆจริงจังๆว่าเป็นบรมศาสดาของเราจริงๆจริงจัง จะยิบจะเฉวยจะไปตั้งจะไปวางในสถานที่ใดจะต้องรู้จักพอดีพองามจะรู้จักพอประมาณสมควรเพื่อรู้จักฐานะที่ต่ำที่สุงอะไรก็เอาเถอะถ้าหากว่าเราชอบอกชอบใจแล้วถือไปในที่ใดแล้วจะไว้ที่ใดเราต้องระมัดระวังตัวเขาจะลักทบขโมย เดรัจย์การต่างๆหรือความจะตกมันตกเรียเสียหายหรือบุบสลายเดรประการต่างๆของที่เราชอบใจจะต้องมีสติอย่างนั้นอันนี้เราไม่ใช่เราชอบใจอย่างเดียวแต่เรายังถึงกับเคารพคลวะ ไม่ใช่ว่าจะชอบใจเท่านั้นยังเคารพนับถืออย่างยิ่งอีกซ้กํเห็นว่าเป็นบรมศาัสตราร์ดสูงสุดเราจะหยิบจะไปวางไว้ตรงไหนจะต้องรู้จักฐานะพอดีพองามสิ่งที่สิ่งที่เขาเราเคารพนับถือแน่นอนที่สุดคนเราเกไปว่ายในที่ตามไม่ได้ จิตใจถ้าหากเคารพถึงคุณพุทธเจ้ามันต้องเป็นอย่างอันนี้โดยสมมารถพุทธศาสนิจะเนชนนับถือพุทธเจ้าซักแต่ว่านับถือว่าพุทธเจ้าเป็นของเราแม้ที่จุดจะกล่าวทุกคำว่าพุทธังสรานังกัจฉามิ ในที่ใดๆด้ากล่าวพุทธังตะนางขชามีข้าพเจ้าขอถึงปุถธเจ้าเหนือนันทีเมตนางอันยังที่พึ่งอื่นนอกจากพุทุเจ้ามีถ้าพุถธเจ้าเป็นของเป็นที่พึ่งของพระเสริฐอย่างนี้เป็นต้นคำพูดกับใจไม่ลงกันเมื่อเป็นชนั้นแล้วคลจะสำเร็จได้อย่างไร การนับถือพระพุทธเจ้ามันจะสําเร็จผลได้อย่างไงซักแต่ว่าทําไม่ได้เอาใจใส่ทาไปโดยที่ไม่ได้เอาใจใส่ไม่สนใจในเรื่องนั้นไม่เลื่อมใสไม่นึกน้อมในเรื่องนะในเรื่องที่เราทำความเคารพในพระพุทธเจ้างั้นก็จะได้ผลไม่จากในการ ขอแจะให้ผู้ใจเจ้าผู้ดีวิเศษสูงสุดนะว่าเป็นสารนาที่พึ่งหรือม่ให้ถือว่ามาน่วยอภรรให้เราเราได้สําเร็จตามความมุ่งมา่ปราชนาด้วยประการต่งตางๆผู้ใจเจ้าเป็นของดีจริงแต่ว่าเราเนี่ยทำไม่ถึงไม่ดีถึงไม่ถึงขุนของท่านจึงไม่สําเร็จประโยชน์ตามความมุ่งมั่ปราชนา เนี่ยพุทธเจา้าพระพุทธลูกหากว่าเราไปตั้งไว้ในสถานที่ใดเราได้สนใจอยู่เสมอเราคํานึงคิดถึงอยู่เสมอว่าอันนี้ละองค์พระพุทธเจา้ามเหมือนกันนี่แหละจะยืนจะเดินจะเดินจะไปจะมาจะทําได้ไดๆทัว้งวหมดจะตั้ง ้ะมัดระวังแลยเกรงใจใคล้ายๆกันก็นกนว่าเราทำอะไรอยู่เฉพาะหน้าเพราะพักของพุทธเจ้าหรือเฉพาะหน้าผู้ลองคิดดูต้หาหักใจเราทำได้อย่างนี้จะดีไหมจะเป็นประโยชน์เป็นคุณไหมถ้าหากเราละลึกถึงคุณของพุทธเจ้าได้นผู้ดีสติของเราก็ต้องดีขึ้น ถ้าเราลึกใจนะอันนี้เราไม่ตั้งสติแล้วไม่ได้อบรมจิตใจให้เข้าถึงพระพุทธเจ้ากันจริงๆจังจึงเป็นไ ด, ด, สดวว้สัว่าถือหรือว่าชัดได้ ว, ว่ากล่าวป น, นามคือกล่าวถึงชื่อของท่านกล่าวถึงชื่อของพระองค์พระพุทธเจ้าเป็น ที่เขารบจักรระบูชาของผู้นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันกับพวกศาสนาอื่นเขาก็นับถือเช่นเดียวกันแต่เขาถือเพ่งพัดกว่าพวกเราอีกทั้งที่ศาสนาของเขาก็บังคับให้ใ เ, ชใเชื่อเฉยๆเนี่ยไม่ได้แค่จิตปัญญาเลยหรอกคนไม่เชื่อไม่ได้ตกนรก เขาถือกันเขาถือกันเพียงแค่นั้นนะครใครจะไปพัฒนาคุณของผู้ปฏิเจ้าหรือว่าไอ้ของพระเจ้าไม่ใจ่ผพ้ปฏเจ้านั่น เ, ร, เรียก พ, พ, พระเจ้าหรือว่าใครจะไปตำหนิทีเตียนหรือไปวิาวิจารณ์ในทางสองของผู้ปฏิเจ้าหรือตัวผู้ปฏิเจ้านั้นคือตัวพระเจ้าตําหนิทีเตียนหรือวิภาควิจารณ์พระเจ้าของเขานั้น เขาห้ามเด็ดขาดเขาให้ถืออานอย่างเดียวให้น้อมนึกเขาลบนับถือยังตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดเวลา <c oughs> เขาถือกันจริงๆจัง ก, ก่อนได้กินเขาก็ถือเขากับเขารบกลาบไปโบราณของเราก็มีอยู่ก่อนจะกินเขาก็ต้องเอาเข้าไปบูชาพระพุทธรูป หรือว่ามีสิ่งใดที่เราจะได้ที่เราจะได้กินหรือเราได้ใหม่แล้วก็ต้องเคารพถึงพระพุทธเจ้าเพื่อไปบูชาหรือว่าไปหมากโูกไม้ผลไม้ต่างๆของใหม่เกิดใหม่ขึ้นมานึกของดีๆที่เราได้มาเป็นกรมรมสิทธิ์ของตนนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าโบราณท่านไปบูชาเข้าเป็นของหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ ให้มีชีวิตยอยู่ได้ไม่ตายเป็นของมีคุณค่าประเสริฐสูงสุดเหตุนั้นจึงค่คยเอาเข่าของประเสริฐสูงสุดไปบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดคนมาสมัยหลังเห็นว่าการบูชาเป็นของไรประโยชน์เลยทอดทิง้ง ความเป็นจริงมันเป็นประโยชน์สูงสุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนมาสมัยใหม่ความคิดความรู้ลึกไม่เข้าใจความหมาย น, นั้นเราเลยเห็นว่าไม่ใช่ประโยชน์แท้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่คุ้มค่าจะเป็นของไม่มีประโยชน์เลยทอดทิ้งเถะทิ้งเลยทิ้งหมดค่นี้ เพราะมันไม่เห็นคุณอยู่แล้วมันจําเป็นจะต้องทิ้งอยู่แล้วเลยไม่มีอะไรเหลือคนบบราณสมัยก่อนถึงแม้ว่าจิตใจจะไม่ทราบซึ่งอย่างเข้าถึงของจริงดัง่งคิดว่ามันนี่กต็ต่างแต่ยังถือประเฟณีคือรักษาขนมถมเหลียงกาเพนีไว้ยังเป็นของดีมาถึงวันนี้ทิ้งหมดเลยกาแฟนีก็เลยจะไม่เอาเลยไม่เอาเลย <c oughs> นี่แหลการนับถือพระเดจเจ้าไม่ใช่นับถือแต่พระเดจเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่นับถือแต่รูปปฏิมากรพระพงอย่างเดียวสถานที่ที่ท่านะฏิสนฐานอยู่แล้วก็ควรกราบควรไหว้กรุงขลุกควรทำกรองขลุกพลวัตอย่าประมาดูถูกอย่าเอาพุทธ ร, รูปไปทําเป็นตุ๊กตา อย่ า, อาทำเอาพุทธรูปไปทาเป็นลูกน้อยลูกอุ้มเลนหรือว่าเอาไปเป็นตุกตาประดับว้านประดับช่องอันนั้นเป็นการเหยียดหยามเป็นการประมาขาดภัยไตรตรณาคมมันก็แน่นอนคนที่ไม่เคารพนับถือสิ่งที่ตนนับถือจะเป็นอันว่าขาดเหมือนกันกับเราไม่เคารพนับถือพ่อแม่ ที่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดกล้ามาที่หลังเราแสดงความประมาทเอยดหยนรู้ถูกมันก็หมดปิตลดหมดชาติความเคารพเคารพนั่นก็ไม่มีถึงจะเป็นลูกก็เองเหมือนกันก็นกะว่าขาดเป็นกับกพ่อกับแม่อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเทนั้นจึงให้พากันเข้าใจไม่ใช่แต่ว่าจะไปกราบไปไหวเฉย สถานใดที่ท่านอยู่แล้วควรที่จะทำความเคารพคารวะอย่าไปทำประมาทมีประมาทดูถูกนี่เคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระทมต่อไป <c oughs> คันสองของพระพุทธเจ้าอย่าไปพูดเล่น <c oughs> พูดเป็นเล่นเป็นเรื่องขับเรื่องเพลงเรื่องสนุกเฮฮาพูดซับไ ป, ปยอกยอกเย้ากัน เลือกปรการต่างๆทำคำสอนพุทธเจ้าอย่างที่เขาเทศมหาชาติเทศตลกเฮฮาสารพัด ท, ทุกอย่างอย่างในคนเจงหัวเลาะเฮฮาคนเจ้เข้าอกเข้าใจให้ใหญ่ไปตูวออกจากคล้องเรื่องก็ไปแหลนั่นแหละนี่ฝ่ายสนุกเฮฮาสารพัด ท, ทุกอย่าง นั่นเป็นการเหยียดหยามดูถูกผู้ พ, พุทธเจ้าทั้งประเทศสนาไปแล้วพระพุทธศาสนาจะเสือเส่อมเสื่อมมากเสื่อมผลนิพพานเสื่อมลงมาอย่างมากผลนิพพานตั้งแต่พระรหัสธนาคารเศรษฐกิจธาคารลงมาพระโซดาเสื่อมลงมาวัะ น, นั้นเรียกว่ามราผลนิพพานเสื่อม อันนี้มาเสื่อมเพราะปริยาณที่ทำค่ะนี่เพรายปริญาณท่ ท, ทั้งหลายนั้นเสื่อมตั้งแต่ชาดกอันสูงจนกระทั่งเสื่อมลงมาลงมาเดิมดับมีมหาชาติชาดกเสื่อมก่อนเขาคือว่าไม่ใช่เอาท้องเรื่องไปเทศไปสอนเป็นเรื่องเพิ่มเติมหลืเป็นเรื่องแหล่เรื่องอะไรต่างอย่างที่ว่านี้แหละ นานๆ น, นะเข้าเอามหาชาติเป็นเรื่องเป็นเครื่องอาชีพหาอยู่หาจินอันนี้ถ้าทำเสื่อมเสื่อมลงมาโดยต่างๆนานๆ น, น, นะเข้าสูตรต่างๆเลยจะไม่มีคนจำได้สูตรทั้งฟัวมดทอดทิ้งเลยไม่มีใครจะจดจำ มีเรื่องพระวินัยเสื่อมก็เหมือนกันเสื่อมแล้วแดี๋ยวอาพิสมาจาร์คือความพระพุทธอันไม่ดีไม่งามเห็นว่ของเล็กๆ น, น้อยๆหรอกอยาเถอะรักษาได้ส่วนใหญ่แต่อของเล็กๆ น, น้อยๆนั่นน่ะมันเป็นเหตุให้นิสัยท่านดานดื้อด่านจะเสื่อมมาโดยลำดับทุกข์ทุกพาชิตเสื่อมมากระทั่ง ปาชิตีนี่จะคีเร่องมาเั้องคาที่เสกนั่นเสื่อมเลก็ทั้งทั้งป ร, ราชิตเสื่อมโดยที่า ม, าจจจมัาไม่ได้จดจำมันมีใครรู้มันมีใครจำได้เสื่อมโดยไม่มีใครปฏิบัติมีนเสื่อมอะไรเนีพราะธรรมทั้งสองปฏิจจังเพื่อทำกวีใ น, นที่ว่านี้เพราะฉะนั้น เราควรที่จะพากันแล้วลึกคิดถึงอยู่เสมออย่าเอาทำคำสองพจน์เลยกล่าวเล่นกล่าวสนุกเหรอฮาถ้ากล่าวก็ต้องให้ถึงอัดถึงทำพูดถึงอัดถึงทำแล้วลึกถึงทำคำสองประโยคที่เราพูดเนี่ยอันนี้เป็นธรรมของสองภูมิให้คิดได้อยู่น่ะเสมอในการที่ท่านเทศท่านสอน เราเองหูไปนาวตาไปได้ไม่ตั้งใจฝังก็เป็นการประมาทท่านเทศท่านสอนเราไปทําการทํางานคุกคั ก, ค ก, ค ก, ค ก, คกนั่นอ น, น, น, น, นี่ก็เป็นการประมาทท่านเทศท่านสอนเราไปพูดไปคุยกันก็เป็นการประมาแม้ที่สุดคนอื่นคุยธรรมะ เราไปพูดเรื่องอื่นพาใช่ล้ว พ, พูดเรื่องอื่นลบเกลื่อนใช่ก็เป็นการประมาไหว้พระสวดมนต์ากว่าเราไม่ได้ก็อย่าไปพูดทำความเคารพไว้ในใจจิตใจให้นึกนอ้อมถึงคุณหู้ใดเจ้าไปทำพระสงฆ์ยังจะเป็นบุญเป็นทุศน์หากว่า ไหว้พระสวดมนต์เราไม่ได้ไปพูดเฮฮาทํำให้คนอื่นหลงจะยิ่งไปกันใหญ่ทำให้คนอื่นเสียไปอีกสัง่งตนเองเสียแล้วก็ยังไม่แล้วยังไปทำให้คนอื่นเสียไปอีกอันนี้เป็นการประมาททางนั้นไม่เหมาะสมนอกจากเป็นเป็นการประมาทแล้วยังเป็นเหตุให้หมู่เพื่อนคนอื่นลำคาญ นอกจากนั้นเป็นเรื่องอับภายขายิาีณาพุทธศาสนกชนแท้ทำไมไม่รู้จักทำกรงขรลมของเลาวะ่ะไม่มีขนบธรรมเนียมมันมีระเบียบมันดีงามคนต่างชาติต่างศาสนาหรือต่างถิ่นต่างฐานไม่เห็นเขอแล้วป็โยกโทษมินทาเป็นการไม่ดีไม่งามนี่การประมาทท่านการประมาททศสง พระสงฆ์อริยสงสาวก ค, คือได้สําเร็จโสโดาสิกิทาการนาคารหัสสมัยนั้นแต่สมัยในนี้ น, น, นะผู้จะได้สําเร็จโสโดาสิกิทาการนาค า, า, ค า, า, คามีหรือไม่มีก็ไมนมีใครทราบได้แต่ท่านว่าไว้ว่าอริยสงสาวกมีอย่างนั้นอย่างนั้นเราประมาทอริยสงสาวกหรือพระสงฆ์สมุติสงธรรมดากระชัาง เราอย่าไปถือบคุคคลบางทีคนคือพระสงฆ์นะ่ะเรียกว่าคนอาจจะมีกิริยาไม่ิญ า, าใญาไม่สุภาพเรียบร้อยหรือสามารถที่จะมีอากับพิจาณาด้วยประการต่างๆซึ่งไม่ชอบกัินิสยเจ้าของเราอย่าไปยกโทษนินทาอย่าไปประมาท เราเคารพเพศเนี่ยไปเคารพบุคคลเพศคือสมณะเพศถ้าอริยสงสาวกสมัยขั้งพุทธเจ้าก็ดีหรือสมัยจต่อมาก็ดีท่านนุ่งเพศท่านมีเพศอย่างนี้ท่านทรงเพศอะไรอย่างนี้ท่านเป็นผู้วิเศษทรงเพศอย่นี้เราเรารื้ถึงเพ ศ, ศอันนั้นเนี่ยไปรื้อถึงคนเนี่ยไปประมาท ถ้าไป ล, ลึกถึงบุคคลแล้วอาจจะไม่ศพเหมาะกับมีใส่ข้างชนอาจจะเกิดความประมาทขึ้น ไ, ได้การประมาทขื้นบางทีพระสองฆ์อาจจะไม่รู้ตัวความชั่วคือความประมาทอาจเกิดขึ้นในใจข้างตนห้เกิดบาปขึ้นโดยท่านจะรู้ตัวเลื่ออยๆเชยนก็มีมากมายชักเรื่องความประมาทในสมัยครั้งพุทธเจ้าของเราอยู่นี่แหละไม่ใช่อื่นไกลเลยหรอ ว่าถึงเรื่องเศรษฐีเศรษฐีก็หนึ่งไปเที่ยวนอกเมืองไปเห็นพระสังกจจัยท่านนั่งภาวานาท่านทำกิจของท่านอยู่เศรษฐีก็ไปกับบริวารลูกเศรษฐีคนนั้นไปเห็นพระสังกัจจัยและลูกของท่านสวยสดงดงาม ผิวพันธ์นเหมือนกับทองคำยิ่งบว่สังกะจ่ายสังกะจ่ายแปลว่าผิวพันธ์เหมือนก็ทองคาลูกเศษรษฐีถ้าเกิดใจบาปขึ้นมาแม้ถ้งหาเราได้ภรรยาลูกร่างสวยสดอย่างนี้ก็จะดีมากไม่ใช่คิดประมาทเลยเท่านั้นอ่ะเป็นอันว่าเหยียดหยามาความดีของท่านให้มาลงค้ายๆกั็ว่าได้เป็นเมียของเราจะดีมาก ในขนาดทันใดนั้นเพศของผู้ชายได้หายไปทันทีมองดูสิ่งใดเป็นผู้หญิงเห้อว่ดตัวของตนแล้วได้อายหมู่หนีจากหมู่วิ่งหนีเข้าฝาเขาโลกไปเลยพอผู้ดีวังกลับมาบ้านแล้วบอกพ่อบอกแม่ติดตามหากันก็ไม่เจอไปนานแสนหา ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองทิศส า, าโมกของเมืองสกะาสีลาไปพุ่งกันเลยไปไปมีครอบครัวคือไปมีผัวในลูกอีกสองคนเนี่ยเศรษฐีเหมือนโสนายะเนี่ยเมืองเก่าของเขาของเขานะ่ะไปค้าไปเที่ยว อันเศรษฐีผู้หญิงคนนั้นที่ได้ลูกสองคนถามข่าวข่าวถึงพ่อแม่บ้านเก่าเมืองหลังถ้าวอาอ่าอาวยั้งยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่มีความสุขสบายที่อยู่ยังถามเรื่องราวเป็นไปยังไงยังค่อยมาอยู่พี่อย่างนั้นยังไี้ถามรู้เรื่องกัน <S <S เป็นพระความประมาทเกิดดังอธิบานยังว่ามาแล้ว เพ ร, พรมมาะความประมาทในภาษาจักรยจนะจึงค่อยเสียโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตายแบบนี้ไว้แล้วมาจะพาไปขอขมาโทษท่นเวลานี้ท่านก็ยังมีชีวิตยังไม่ทันดับตอนนี้ผานสาหา ย, ยังไงไอ้่้าเ ข, า, ขาเนี่ยที่เป็นสหายเก่าก็ไม่จริงก็เป็นสหายกัน จึงได้พาเศรษฐีนที่ได้ลูกสองคนมาทำความเคารพพระวะสมาทานประมาทท่านโดยท่านไม่รู้เฉยเลยไม่รู้เลยสักนิดเดียวกลับคืนมามาทําความเคารพครวะขอสมาพ ร, ราวะท่านให้อโหสิกรรมเพศของสตรีเพศเพศผู้หญิงหายไปทันทีกลับเป็นวุรุษขึ้นมาทานเลย ด้วยเหตุความประมาทเป็นเหตุให้เกิดความสจดิญทางวิเพศในกลับไปกลับมาก็เลยสละสารวัตออกบวชให้คนที่เสึกษานิสัยสังเกตมันควรให้ผ่านอันนี้ว่าเรื่องความประมาทชักอุท้างหอนให้ฟังประมาเทเพียงแค่นั่นแนหะไม่มีมากมายเลยหรอกถ้าหากว่าประมาทกระทั่งเหยียดหยามดูถูก หรือว่าด่าแช่งเดประการต่างๆแล้วจะไปถึงขนาดไหนกันเหตุนั้นจึงควรคําว่าประมาทในที่นี้นั้นสาหรับคารวะาจะต้องระวังที่สุดเกิดความประมาทในพระสงฆ์ขึ้นมาเวลาไรในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเวล า, าใดพระไตรชนาคมขาดสําหรับ สามเณรและพิกษุก่อนที่จะได้บวชเป็นสามเณรก็ต้องถึงพระไตรสนาคมก่อนจึงค่อยบวชได้อันนี้เมื่อประมาทเกิดขึ้นมาก็ไม่ถึงกับขาดพระไตรสนาคมแต่ว่าต้องใช้ธนกรรมพื่อจะต้องลงโทษและขอสมทานใหม่อธิษฐานใหม่กลับคืนมาได การประมาทในพระพุทธธรรมประสงค์มีแนวดังอธิบายมานี้อันนี้เพียงยนย่อพอที่เราจะปฏิบัติได้ในฐานะของเราเป็นุาะสุภวิกาหรือว่าในฐานะของบุทุชนขานี้การประมาทในชิคขาบทวิจ เช่นว่าเรามีชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้น 10, สิบชิ้นสองร้อยยี่สบเจ็ดมีอยู่ในจําตัวของตนเห็นนะของเล็กน้อยละ่ะชิ้นห้านนิดเดียวไม่เอาอันนี้เดี๋ยวพอมาหรือว่าชิ้นห้าจะได้ประโยชน์อะไรทําประโยชน์อะไรให้แก่เราเขาไม่รักษาชิ้นเขามาั่งมีรุ่มรวยเขามีเงินมีทองชิ้นห้าจะได้ประโยชน์เลย อย่างนี้เรียกประมาทในชิคาบุตรของตนสินทรก็เหมือนกันสินสองร้อยเจ็ดเหมือนกันดังเคยอธิบายใั้ฟังมาแล้วว่าสินเป็นของมีคุณค่าประโยชน์มากเราควรทำความพอใจดีใจในสินของตนชิคาบุตของตนที่ตรวงดเว้นได้ เดไปเข้าใจว่าเป็นของน้อยพระสิกขาบทอันนี้นั่นเรางดเว้นจากโทษน้นทั้งนั้นแต่ละสิข้อแต่ละสิกขาบทเรางดเว้นจากความชั่วความที่เราไม่ทำชั่วมันเป็นเหตุให้เราพ้นจากอบายภูมิอบายภูมิไวยบรุทุกติทุกติ เงินทองหมื่นแสน จ, จะเป็นลานหรือเป็นล้านจะไปซื้อเอาสุขติไม่ได้แล้วสินแต่ละคอละคอแล้วนะเรื่องของมีคุณค่าสามารถซื้อเอาซึ่นความสุขได้เพื่อได้ยินได้เชื่เป็นของมีคุณค่ามากเดีแต่พอเข้าใจเป็นของน้อยมีสิ่งใดควรพอใจยินดีก็ขอให้่ตนมีจึงจะเป็นของมีค่า ดังเคยอธิบายมาฟังแล้วชิคหาบทเป็นเครื่องระ ง, งับดักเจ้าซึ่งควงชั่วบาปประทมถ้าไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าธรรมเทศนาและมาเด็ดสอนในพุทธศาสนาพาการรักษาที่พาการรักษาน่หมายว่า ข้อทางดําเนินที่จะไปสู่ความสุขความเจริญจะไปสู่ความก้าวหน้าของชีวิตคือหัดจิตหัดใจหัดอใส่ให้สูงขึ้นโดย ด, ดําันงๆมีทางเดียวเนี้คือศีลคนเราไม่มีศีลมันไม่มเครื่องวัดลองคิดดูที่ผลเสมอกันวัดจะมีศีลเด็กตัวเดียวแล้วไม่มีสักคนเดียวใครเป็นคนดีกว่า จะไปรู้จักว่าดีตรงไหนครับก็สินนั่นแหละเป็นเครื่องวัดสินหาก็เป็นเครื่องวัดของผู้มีสินหรือว่าผู้มีสินพอทั้งขอสินแปลก็เป็นเครื่องวัดว่าสูงกว่าผู้มีสินหาสินลสิฟก็เป็นเครื่องวัดว่าสูงกว่าผู้มีสินหาสินแปลสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นเครื่องวัดว่าสูงกว่าสินหาสินแปลหรือสินเชฟเยวมัไม่มีสินวัดจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัด เอาเงินเอาทองเอาสมบัติเข้าของเอาเป็นเครื่องวัดความดีไม่มีไม่ได้ครับอันทีก็มีรวยๆมีเงินมากๆไม่ใช่ว่าเขาจะหาได้ด้วยความสุจริตทายเดียวอาจจะชอบโกงลักขโมยขึ้นมาก็าได้เห็นนั้นเยาวเงินทองไปวัดไปไสมบัติไปวัดไปซีนนี่วัดได้พกระยะเลยพุกกระเบียดนี้เลยข้อนึงก็เป็นเครื่องวัดได้ดีได้ทีเดียว สองขอ้ส อ, ขอสามขอ้อวัดททได้ทันทีเลยเจ่ยวัดความดีกันแท้ๆเรื่องศีลดังนั้นยังควรทําความเคารพคารวะในการที่เราได้มา้ควรรักควรหอมควรบูชาควรเอาใจใส่เห็นว่าเป็นของดีมีค่าอันนี้เรื่องความเคารพ ในการในการศึกษาในชิคาบทของตนเขาลบในการต้อนรับอาศัยนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ในสังคมคือต้อนรับปลาใสซึ่งกันและกันนั้นแสดงออกมาซึ่งน้ำใสใจจริงจากภายใ น, นจะต้อนรับ ด้วยกิริยาเมตญาติแสดงความเย็นเย็นเมใสเห็นหน้าเห็นตากันในเวลาเห็นหน้าเห็นตากันอย่างนี้ก็เรียกว่าแสดงความเคารพในการปทีสันพานหรือว่าจะหาเครื่องอาหารการกินมาปูวื้นรับต้อนกันก็เรียกว่าเคารพในการ ปฏิเัธถามคือกันในการต้อนรับคือกันหรือมีอะไรจะอาถรณะที่อยู่ที่นั่งนี้เป็นต้นเรานั่งกันแล้วเห็นคนอื่นมาเชื้อเชื่อในนั่งลุกหนีครับแล้วเขาจะดีใจสักเท่าไหร่เขาจะเคารพเราสักเท่าไหร่ลองลองดูสิอย่างเราไปลดเวลานเรานั่งอยู่ก่อนเวลาเขามาไม่มีที่นั่งกัน ให้อภัยเขาแท้เรานั่งมานานเนี่ยเอาให้ที่นั่งเขาอันนี้ก็เป็นปฏิสัมพันธ์กันคือต้อนรับกันนะครันต้อนรับโดยน้ําใสใจจริงไม่ใช่สักแต่ว่าทำเป็นการสังคมคือหมายความว่าคบคนวิธีคบคนคนเราไม่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนต้องอยู่กับผู่กับขด มันก็จำเป็นจะต้องมีกิริยาภายนัยอาศัยเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องวัดจึงจะใครได้รับกลมเยือกเย็นเป็นสุขทั้งสองกรรมทังฝ่ายถ้าหาว่าต่างคนต่างไม่มองการต่างคนต่างมือนขึ้นเรื่มมือนไปทั้งอื่นแจะไม่มองกันลองลองคิดดูสิอย่าไปว่าได้แขกอื่นไกลเลย ที่น้องญาตวงของเราก็ตามมาสู่บ้านสู่เรือนเนาะทักทายก็ไม่ทักแค่ทีเดียวท่านนี้ก็เป็นอันมาได้การเลยที่หลังก็ไม่อมาอีกแหละการสังคมมันทำประโยชน์น่พวงหัวมาก ท, า ท, าท่านยังจัดเป็นท่านยังจัดเป็นธรรมจัดเป็นธรรมอันหนึ่งเหมือนกันจัดเป็นบุญกุศลอีกซักจะไม่ใช่บุญยังไง บุญนั่นหมายความนั่นความดีใจความอิจใจความปลื้มปีติถ้าทําดังที่ว่ามา น, นี่เราก็จะดีใจเราก็จะสบายใจแขกที่มาหาเราก็ได้ความสบายใจมันดีอันนี้ใช่ไหมทางการฮาร์ดที่ฮัร์ด ท, ที่อบรมฮาร์ดมอนี่แหละฮาดตังต้งใจหมู่ก็ออกไม่ออกฮารดตลอดเมดื่อถึงไะเจ้าประสงค์ที่อยู่ามเรียนฮาร์ดเมื มันเป็นเรื่องหัดศีลหัดธรรมอันนี้ไม่ใช่ของอื่นเรื่องธรรมแท้ๆให้รู้จักเขารบให้รู้จักเขารบปฏิสินฐานเขารบในการปฏิทินฐานอะไยังไม่ได้ยังรู้จักฐานหน้าอีกต้ำนะมันมีแววเข้าไปอีกเลคนที่ฉลาดเฉลี่ต้องมีแววเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปอีกแววหมายความในความฉลาด คนฐานะเช่นใดเราจะปฏิบัติเราจะปฏิสฐานอย่างไดเราจะปฏิสฐานเสมอกเสมอก็ไม่ได้อย่างพระมาเราจะปฏิสฐานอย่างโยมก็ไม่ได้โยมมาเราจะปฏิสฐานอย่างพระก็ไม่ได้คนตามมันนอกบรรณาเราจะปฏิสฐานเหมือนกัเจ้านายผู้ใหญ่ไปโตก็ไม่ได้เจ้านายผู้ไม่นามมิเกียเราจะปฏิสฐานอย่างมันนอกอธรรมดาก็ไม่ได้ อย่างว่าพระเจ้าแผ่นดินถ้าสเสด็จมาเรารับตอนทันด้วยความน้ำใสใจจริงถึงแม้คำพูดจะไม่ถูกราชาศักย่างว่ารับหรือผมอย่างนี้โดยใครน้อยนี่ท่านก็ไม่ถือสาหรอกท่านถือนำใจ ท่านสงสารท่านอินดูซัแต่ว่ามันขาดความฉลาดคือสัพปริย ธ, ธรรมไม่มีในตัวมันตัวเห็นนั้นจะต้องเรียนต้องหัดคนมีปัญญาฉลาดอย่างเราปฏิสันพานธด้ารรารจัดฐานะของบุคคล้าด้วยนั้นใสจใจจริงก็ไม่มีอะไรหรอกกลางดีอยู่แต่ห่างว่ามันขาดสัพปริย ธ, ธรรมคือคนมีปัญญาฉลาด ไม่มีกลอนทลาดเคยเล่าให้พระพระเนรินเขาฟังอันพระไปพูดกังโยมถ้าไม่เคยรู้จักคำพูดภาษาคำแทนสื่อเราและกัแทนชื่อคนอื่นขึ้นไปที่วาการไปขึ้นทะเบียนทหารมาอะไร มาขึ้นทะเบียนครับอย่าพูดผมอย่าพูดกับผมว่าครับสิเออคับไม่พูดดอกครับอย่างคับสองคับสามคับต่อไปอีกอย่างนี้มันก็เหลือเกินไปไม่เรียกเราไม่รู้จักฐานะอันนี้ขาดการศึกษาเรื่องนี้นี้ว่าทั้งเรื่องการปฏิสันพานธ์้ารบในการปฏิสันพานธ์าลบในความไม่ประมาทค่านนี้รวมหมดเลย ถ้าหากว่าเราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิสันฐานเมื่อเราเคารพนี้แล้วคราวนี้เราจะเคารพในความไม่ประมาทนครับความไม่ประมาทคือว่ามันไปจะมารวมอยู่ถ้าเราไม่มา ม, มีความเคเรารพเราไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทน่จะมารวมตัวอยู่แห่งหนึ่งเมือนเหมือนกันกับว่าเรา ทำอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสําเร็จกิจการงานที่เราทําอย่างสมมติว่าเราทําสวนแล้วก็ได้ทําไร่แล้วก็ได้ของเขาไร่ทำํำนาแล้วก็ได้พืชของนาเครื่องปลูกในนาอันนี้เราค้าขายแล้วก็ได้เงินทองที่ได้จากการค้าขายทั้งพวงหมดมารวมเจ็บเกี่ยวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอามารวมไว้ในถุงเดียวกัน ว่าเราทําจากอันนั้นมาได้จากนั่นกลับมาได้รวมเงนจากเพื่อนกลัมาได้รวมนี้จากนู้นจากนู้นมารวมที่นี่แห่งเดียวนีม่มั้งแล้วราครานี้เราจะสบายใจสบายใจเราจะมาจิตใจเราจมาจดจ่อเฉพาะเงินในถุงเดียวกับระเป๋าเดียวเราไม่ใช่ไม่มกังวลมู่นหวายไปเรื่อยทั้งหลายอันนี้กาาาา็มาทใหม่เล็กเล็กอย่างน้อยที่ว่ามันมาอยู่ในความไม่ประมาทจะไปตั้งใจรึกษาได้เฉพาะเท่านั้นแนวเนี่ยต่เรื่อง จิตใจน่าจะจดจ่อเฉพาะระวังใจเฉพาะนความไม่ประมาทเลยถ้าสิ่งใดถ้าหาก็เราทํามาหมดทุกสิ่งแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะมารวมแห่งเดียวความอินใจความพอใจสนใจใ่ใจในเรื่องนั้นไม่ประมาท เ, เลยเลยนั้นเรียกว่าในความไม่ประมาทเคารพในความไม่ประมาท นี่แหละว่าถึงเรื่องธรรมะอันส่วนที่เราพอจะพูดทั่วๆกับไปได้พอที่จะรู้ทั่วๆกับไปได้ถ้าพูดงเรื่องธรรมะในแนวปฏิบัติแห่งละเอียดตัวนั่นเองอย่างว่าผู้มีศีลมั่นในศีลข้างตนอุ่นใจในศีลข้างตนเกิดเพื่มปีติในศีลข้งตนจะเดินได้ขั้นใดภูมิใดก็ตามจะเป็นผู้ไม่ประมาท จิตใจน่าจะปลื้มปีติอิ่มใจในเรื่องนั้นผู้มีภาวนาผู้มีสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิภาวนาจะถึงเอกขตาจิตเอกขตาลมเนี่ยแน่ยอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นยิ่งชัดนักไม่ได้มองหน้ามองหลังหรอกยืนเดินนั่งนอนจิตใจจะแน่วแ น, ยน่ยเรื่องสมาธิของตน เห็นจิตเป็นเอกคตาแนิ่งแน่เห็นความสุขสงบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนั้นเรียกว่าเคารพในความในความมายเป็นผู้ประมาทอะไม่ลืมทําอะไรไม่ลืมเท่านั้นแหะใจจะฝักใยแต่เรื่องทั้งหลายนั้นเหมือนกับการคดที่ได้ไม่เคยลูกไม่เคยมีลูกมีเต่ามีลูกแล้วแม้จิตใจมันจะฝักใยการงานในแดนหลวงมดจะกินข่าขกินปลาแล้วจะเที่ยวไปมาเด่น จิตใจไปมองไปเพ่งอยู่แต่เรื่องลูกของตนคนเดียวอันที่ตนได้ลูกใหม่ๆในความชอบใจพอใจอันนั้นนีว่วะเขารอบในความไม่ประมาทในเรื่องสมาธิเขารอบในความไม่ประมาทในเรื่องปัญญามีความรู้แตกฉานฉลาดเฉเลียวขึ้นมาในเรื่องใดพิจารณานี่เลยครับทะลุปลูกปร่อยู่ตลอดเวลา จิตนั่นจะเกิดพอออกพอใจปึ้มปีติในเรื่องนั้นจะแพ่งพิจารณาในเรื่องนั้นอันเรื่องอื่นๆไป้ของเล็กน้อยมดปล่อยวางไม่อะไรอาว่อนเลยอันนั้นเรียกว่าประมาทในทางธรรมะที่อันลึกซึ่งละเอียดลงไปก็เขาลบในความไม่ประมาทผู้เป็นเช่นนั้นไม่ประมาทประมาทคือความเผ ล, ลอเลอะก็ไม่เอาใจใส่ พูดง่ายหนึ่งครับว่าประมาณนั่นคือว่าพูดกันให้ง่ายเข้าใจกันง่ายคือว่าไม่นอกเขามาหาตัวอบบนั้นเถะไม่เห็นตัวไม่อยู่ในตัวเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดคํ้ามาประมาณแม่แต่ท่านเทศให้ฟังอย่างเงี้มันก็ไม่มาอยู่ที่ใจใจไม่มาอยู่ที่ตัวของเราไม่ไมาเห็นตัวของเราไม่มาฟังที่ตัวของเรางั้นท่านเทศนะครับ่ มีท่านเทพได้ฟังก็บับอาวะเทศหรือคนอื่นใชะแล้ว เ, เลยนั่นไม่เอาใจใส่ใช่ไม่เข้าใจะว่านธรรมที่ถัวของเราใช่คราวนี้มันก็แย่เนี่ยนั่นประมาทจะไปจับแขนมาพูดกันแต่ละคนมันก็ไม่ไหวได้แต่ว่าเป่าหัวแต่ละคนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันได้ถ้าถึงขนาดประมาท่างยิ่งทีเดีวถึงจะอาจับหูวมาเป่าก็ยังไม่ได้ยินเนะาะถ้าประมาถึงขนาด การฟังเหตุการอะไรฟังมอดถ้าเป็นผู้ประมาณแล้วจะต้องเข้ามาอยู่ในตัวของเรามันพิจารณาที่ตัวของเราว่าเราทําถูกอย่างที่ท่านพูดเราเลยอย่างเราได้แล้วเลยอย่างเราเริ่มเข้าไปหาจุดนั้นเรลยอย่างต้องอย่างนี้จริงเลยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าหาก็าไม่ มองเข้ามาไม่ได้ยินเลยว่าเขาไปที่ไหนก็ไ ม, ม่ทาบออกไปที่ไหนก็ไ ม, ม่ทาบอันนั้ประมาทดยแท้นี่แหละพูดทั้งเรื่องความไม่ประมาทสืบเนื่องมาจากวันพระก่อนเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยพูดประทำประสงค์ในการศึกษาคือในข้อวัดปฏิบัติจิขาบทน้อยใหญ่ในการปฏิสันถานในความไม่ ประมาทอาศัยความเคารพทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อความบมดสุดหมดจดในโพดิสุทธะอภพโปริหานายะนี่เป็นไปเพื่อความไม่เสือ่อมนิปานะเซนะสันติกิเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อความดับทุกข์คือปนิพันธ์ทันเทศนาไาอย่างนี้ถ้าทำได้เป็นจริง เพราะอย่างนั้นทุกๆกคนจงพากันจดจำนำเอาอไปพิจารณาอีกต่อหนึ่งหากว่าไดวามลู่งข่วงขวงขึ้นไปด้วยประการใดแล้วจะเชื่อได้ตนเองอันนี้พูดถกเป็นไหนเล็กน้อยบนต้นที่แสดงมาเดี๋ยว น, นี้ก็สบควรด้วยประการละด้วยประการชนี้